ท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันสุขที่28ธันวาคมพุทธศักราช2545ขออภัยวันที่27ม่ใช่28 27วันศุกร์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2545 เป็นวันแรงแตดค่ำเดือนอายปีมะแมเป็นวันพระสุดท้ายของปีพุทธศักราชสอง5น้าสีสิห้านี้เป็นนวนว่าเวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้านับมาจากต้นปีคือวันที่หนึ่งมกราคมจนมาถึงวันนี้เราก็มีวันพระผ่านไป 52วันพระแล้วเราได้ปฏิบัติกิจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้กระทํามากน้อยเพียงไรเราได้มาวัดทุกๆวันพระตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ได้หรือเปล่าถ้าเราอยากจะวัดความเจริญหรือความเสื่อมของตัวเรา ก็ขอให้เราวัดที่าศาสน ก, กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้เราปฏิบัติกันว่าเราได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ได้มากน้อยเพียงไรนี่แหละคือความเจริญหรือความเสื่อมที่แท้จริงเราอยากไปดูที่เงินในบัญชีของเราว่ามันเพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงไร หรือนิสินเรามีมากน้อยเพิ่มขึ้นมามากน้อยเพียงไรเรื่องเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสื่อมหรือเรื่องเจริญถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อยู่ในโลกนี้ย่อมมีการเจริญลาบย่อมมีการเสื่อมลาไปเป็นธรรมดาไม่ได้มีผลมากมายต่อชีวิตของเราเท่ากับบุญกุศลหรือบาป ก, กรรม ที่เราได้กระถามกันดังนั้นขอให้เราตรวจสอบตัวเราเองดูว่าปีนี้มีวันพระ52วันพระเราได้เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมกันได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราได้ครบ52ก็ถือว่าเราได้ร <c oughs> ักษามาตรฐานอย่างต่ำขั้นต่ำ ที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดเราไม่เสือ่อมเราได้รักษาคุณงามความดีเหตุปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เรามีความสุขมีความเจริญแต่ถ้าเรามามไม่ได้ครบทั้งห้าสิบสองก็แสดงว่าเรากำลังขาดส่วนสำคัญของชีวิตเราไป ขาดเหตุปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของเราแต่ถ้าเรามาวันพระไม่ได้แล้วเราชดเชยมาวันอื่นแทนเช่นมาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันธรรมดาที่เราไม่เวลาว่างจากภารกิจการงานก็จะช่วยให้ชดเชยสิ่งที่บกพร่องในชีวิตของเรา ให้ครบถ้วนได้และถ้าให้ดีถ้าเรามามากกว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้ยิ่งจะเป็นการดีขึ้นไปอีกเท่ากับเราได้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นไปก็จะทำให้ความเจริญรุ่งเรืองของเรามีมากเพิ่มขึ้นไปและรวดเร็วยิ่งขึ้นไปดังนั้นขอให้เราจง ให้ความสำคัญกับการมาวัดทุกๆวันพระหรือวันอื่นก็ได้ถ้าวันพระไม่สะดวกเพราะการมาวัดเป็นการมาชำระจิตใจของเราซึ่งในแต่ละวันเราจะถูกสิ่งเศร้าหมองมลทินทั้งหลายเข้ามาทำให้จิตใจของเราแปดกเปืือน เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่เสื้อผ้านี้เราใส่ไปวันหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนำไปซักเพราะว่าถ้าใส่ต่อไปก็จะทนไม่ได้กับคราบสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าและกลิ่นที่ไม่ค่อยน่าพึงปรานาที่ติดอยู่กับเสื้อผ้านั้นด้วยเราจึงมีความจาเป็น ที่ต้องชำระเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ mm hmm. เพราะไม่มีใครอยากจะใส่เสื้อผ้าที่สกรปรกเสื้อผ้าที่มีกลิ่นเหม็นฉันใดจิตใจของพวกเราก็คล้ายๆกับเสื้อผ้าที่ในแต่ละวันนี้จะต้องสัมผัสกับสิ่งแปดเปื้อนทั้งหลาย mm hmm. เช่นความโลภความโกรธความหลง ให้ทําให้ใจของเรามีความเศร้าหม อ, องไม่มีความสดชื่นเบิกบานทั้งๆ ท, ที่เรามีอะไรมากมายกายกองทางภายนอกเช่นเราได้เงินได้ทองมากเพิ่มขึ้นได้ตําแหน่งสูงขึ้นไปได้บริษัทบริวารมากเพิ่มขึ้นมีคนสนรเสนุนมีคนมอบรางวัลชมเชยเรามาก แต่ถ้าเรามีแต่ความไม่สบายใจอันสาเหตุที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงสิ่งต่างๆภายนอกที่เราไม่อยู่ก็จะไม่มีความหมายเพราะใจของเราไม่ค่อยได้มีความสุขกับสิ่งที่เราได้มานั่นก็เป็นเพราะว่าเราขาดการดูแลภายในคือดูแลรักษาจิตใจ ไม่คอยชำระไม่คอยขัดเกลาให้สะอาดเพราะจิตใจที่สะอาด จ, จะเป็นจิตใจที่ให้ความสุขความสบายความสดชื่นทั้งทั้งที่สิ่งภายนอกอาจจะมีลดน้อยถอยลงไปก็ไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นเศร้าหมองตามไปด้วยเพราะจิตใจได้รับการชำระอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของความหลงความหลงนี้แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้จิตใจต้องไปโลภต้องไปอยากและเมื่อไม่ได้สมความโลภสมความอยากก็เกิดความโกรธสร้างความร้อนรนให้ก็บจิตใจ ท, ท, ทั้งๆที่ไม่น่าจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่เป็นเพราะความหลงไม่ทราบถึงความสุขที่แท้จริง ของจิตใจว่าเกิดจากเหตุอันใดนั่นเองถูกความหลงครอบงาสอนให้คิดว่าถ้าเราได้ของภายนอกมามากเพิ่มขึ้นแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความเจริญเราก็เลยถูกอำนาจของความหลงหลอกให้โลภหลอกให้อยากทะงวั้ง ท, งที่สิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็พอเพียงต่อการดำรงชีพพอเพียงต่อการให้ความสุขกับร่างกายแล้วแต่เพราะว่าไม่ความไม่รู้นั่นเองจึงทำให้เกิดความอยากที่จะมีเพิ่มขึ้นไปความอยากนี้มันหลอกเราได้เสมอต่อให้เรามีมากน้อยเพียงใดเราก็จะรู้สึกว่า ไม่พ อ, อยังต้องการเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าตามใดมีความอยากเพิ่มขึ้นในใจแล้วใจก็จะมีแต่ความดิ้นรนทะยานอยากทุลนทุรายทำให้อยู่ไม่สุขเลยไม่มีความสุขใจมัวแต่คอยไปหาสิ่งภายนอกมาหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ ก็ไม่เกิดความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอเพราะไม่ได้สร้างความพอให้กับใจใจจะเกิดความพอได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นก็คือการลดละความโลภความอยากทั้งหลายให้เบาบางลงไป ให้มีความมักน้อยสันโดษคือพอใจกับสิ่งที่มีอยู่และยินดีกับสิ่งที่ได้รับได้มากก็กพอใจได้น้อยก็พอใจถ้าทำจิตใจได้อย่างนี้แล้วใจก็จะมีความสุขขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพยายามลดละความโลภความอยาก ด้วยการมาวัดมาทาบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเพราะจะเป็นการชำระขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายให้เบาบางลงไปเมื่อความโลภความโกรธความหลงความอยากเบาบางลงไปแล้ว ใจก็จะมีความสดชื่นเบิกบานมีความอิ่มมีความพอขึ้นมาก็จะทำให้เกิดปัญญาเห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีข้าว ข, ของทรัพสมบัติต่างๆมากมายกายกองเกินความจำเป็นมีพอดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่ไป ไม่เดือดร้อนก็เป็นสิ่งที่พอเพียงแล้วสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจมากๆนั้นควรจะอยู่ที่การชำระจิตใจของเราด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เปรียบเหมือนกับ ของซักฟอกเครื่องซักฟอกจิตใจถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาชำระจิตใจแล้วเจตใจของเราก็จะสะอาดหมดจดเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันทั้งหลายที่ได้นำเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาชาระจิตใจของท่านเหล่านั้นจนจิตใจของท่าน กลายเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองปราศจากตัณหาความอยากทั้งหลายทำให้ท่านมีความสุขพร้อมบริบูรณ์อยู่ในตัวของท่านโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งอะไรภายนอกมาให้ความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวเพะทรงรู้ทรงเห็นแล้ว ว่าสิ่งต่างๆภายนอกนั้นร้วนเป็นกองทุกข์ทั้งสิ้นมีอะไรก็จะต้องมีความทุกข์กับสิ่งนั้นๆมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีตำแหน่งหน้าที่ก็ต้องทุกข์กับตำแหน่งหน้าที่มีสมบัติเงินทองก็ต้องทุกข์กับสมบัติเงินทอง เพราะว่ า, าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดในวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็ต้องจากเขาไปก่อนนี่เป็นสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบได้เห็นจึงปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น ให้หมดไปเมื่อได้ปล่อยวางแล้วจิตใจก็ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเพราะความทุกข์นั้นก็เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นยึดติดอยู่ในสิ่งต่างๆภายนอกนั่นเองเมื่อได้ปล่อยปล่อยวางหมดแล้วความทุกข์กับสิ่งต่างๆก็หมดไปถึงแม้จะสัมผัสจะมีก็ไม่ได้มีความ คิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีมีก็มีไปจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่กังวลเพราะไม่ได้พึ่งพาอาศัยในสิ่งเหล่านั้นมีแต่จะนําสิ่งเหล่านั้นไปทำคุณทาประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีความสุขให้เขาได้ลดความทุกข์ที่เกิดจากการขาดแคลนสิ่งจาเป็นต่อการดำรงชีพ ที่นี้จึง <c oughs> จึงเป็นที่มาของการทำบุญให้ทานสงเคราะห์ผู้อื่นเรามีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของเกินจะความจำเป็นเราก็นำไปแจกจ่ายไปสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนทำให้ผู้ที่เดือดร้อนนั้นเขามีความสุขมีความสบายเพิ่มขึ้นมาบ้างและความทุกข์ความเดือดร้อน ลดน้อยถอยลงไปบ้างก็ทำให้ใจของเรามีความสุขขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าเราได้ทำความดีเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเรารู้ว่าถ้าเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากแล้วมีผู้อื่นมาช่วยเหลือเราเราจะมีความรู้สึกมีความสุขมากและมีความรู้สึกปราบรื้ม ในการกระทำของผู้ที่มาช่วยเหลือเราเราทราบอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจของเรามีความสุขนี่แหละคือความสุขของใจแทนที่จะเกิดจากการได้มากับเกิดจากการให้ไปมากกว่าเพราะการได้มานั้นอาจจะมีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาว แล้วก็ทำให้เกิดอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเวลาเราเจอคนที่เขาเคยให้อะไรเราเราก็คิดอยากจะได้สิ่งที่เขาให้เคยให้เราเพิ่มขึ้นอีกถ้าเกิดเขาไม่ได้เอาอะไรมาให้เราเราก็จะเกิดความรู้สึกผิดหวังก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นมานี่แหละคือเรื่องราวของใจเรา ใจของเรานี่มันเป็นเรื่องกับตาละปัดกับความรู้สึกของเราเพราะความรู้สึกของเรานั้นเป็นความรู้สึกที่ผิดนั่นเองเป็นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าถ้าเราได้มากๆแล้วใจของเราจะมีความสุขแต่ผลมันก็ปรากฏขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพียงแต่เราไม่มองกันเท่านั้นเองว่าเรามีความทุกข์มากน้อยเท่าไหร่กับสิ่งที่เราได้มา ในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเราไม่มีอะไรเลยเราจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจอยู่ไปวันๆหนึ่งได้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลกับเรื่องราวอะไรแต่พอเราเริ่มมีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกมีบุตรมีทิดามีกิจจิมีกิจการการงานต่างๆ เหล่านี้ก็ล้วนเป็นแต่สิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเรามาอย่างต่อเนื่องและจะมีต่อไปเรื่อยๆจนวันตายถ้าเราไม่ลดละความอยากลดละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราต้องทำมาหากินก็ขอให้เราทําเพื่อที่จะดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเรา แล้วถ้าเรามีผลกำไรส่วนเกินเราก็นำไปสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปเพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้สิ้นสุดในโลกนี้หลังจากที่เราตายไปแล้วจิตวิญญาณของเรายังต้องเดินทางต่อไปและเราจะไปที่มั่งคั่งสมบูรณ์หรือไปที่อัตขับ ขัดสนก็อยู่กับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนี้ถ้าเราสะสมบุญสะสมกุศลไว้เราไปข้างหน้าเราก็จะมีสิ่งต่างๆรองรับรอรับเราอยู่ถ้าเราทําแต่บาปแต่กรรมไปข้างหน้าก็จะไปมีแต่สิ่งที่เดือดร้อนวุ่นวายคอยเราอยู่ ดังนั้นเราจึงต้องมองชีวิตของเราให้ไกลกว่าเฉพาะโลกนี้เท่านั้นถ้าตราบใดใจของเรายังไม่ได้รับการขัดกล่าวชำระจนสะอาดหมดจดเหมือนเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกแล้วจิตใจของเรายังต้องไปเกิดใหม่และต้องไปเกิดสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรม ที่เรากระทำกันในแต่ละวันถ้าเราทำบุญไว้มากๆโอกาสที่เราจะได้ไปเกิดที่สูงที่ดีก็มีมากถ้าเราทำน้อยโอกาสก็น้อยถ้าเราทำบาปมากโอกาสที่เราจะไปเกิดที่ต่ำที่มีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียก็จะมีมากถ้าทำบาปน้อยโอกาสที่จะไปเกิดในที่ต่ำ ก็มีน้อยดังนั้นชีวิตของเราของมนุษย์เราคือหน้าที่ของมนุษย์เราที่ที่แท้จริงนั้นจึงอยู่ที่การกระทําที่จะเกิดผลประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตเราต้องแยกแยะว่าปัจจุบันคืออัตภาพร่างกายของเราต้องการความมีความจําเป็นมากน้อยเท่าไหร่ ถ้ามีเกินความจําเป็นแล้วไม่นําเอาสิ่งที่ได้มาจากเกินความจําเป็นนี้มาทําบุญทํากุศลแต่กลับนาไปสะสมกิเลสตัณหาให้มากขึ้นไปด้วยการใช้เงินทองตามความอยากตามความโลภอย่างนี้ถือว่าเป็นการขาดทุนเพราะจะสร้างสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองในจิตใจมีมากเพิ่มขึ้นไป แต่ถ้าเรานำเงินทองส่วนเกินที่เราหามาได้นี้นำไปใช้เพื่อชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากเช่นทาบุญให้ทานแล้วแล้วก็จะเป็นการชำระจิตใจของเราให้มีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองนั้นน้อยลงไปแล้วจะทำให้เรามีความสุขมีความอิ่มมีความสบายใจ ทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติคุณงามความดีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปและทำให้เรามีกำลังใจ ท, ที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะทำบาปกรรมทั้งหลายนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้เรื่อยปัจจุบันชีวิตของเราก็มีความสุขมีความสมบูรณ์มีความพอเพียง และเมื่อเราเดินทางต่อไปในภพหน้าชาติหน้าเราก็จะไปสู่สุคติไปสู่ภพที่ดีถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้มาสะสมบุญบารมีต่อไปถ้าได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมก็จะได้สวยสุขเป็นทิพยสุขเมื่อทิพยสุขนั้นหมดแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็มาทําอย่างที่เราทําอย่างนี้อีกต่อไปจนในที่สุดจิตของเราสะอาดหมดจดสิ้นความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นจากตัณหาความอยากทั้งหลายจิตของเราก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตอุ้ยเป็นจิตวิมุติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดเหมือนกับจิตของพระพิทธเจ้า กับพระอาหารหันตสาวกแต่ขอให้เราอย่าไปคิดว่าการที่เราได้ปฏิบัติจกนกระทั่งทําให้จิตของเราบริสุทธิ์แล้วเราจะสูญหายไปจิตนี้เป็นของไม่ตายจิตนี้ยังไงยังไงก็ยังเป็นจิตอยู่เพียงแต่ว่าจะเป็นจิตที่สะอาดหรือเป็นจิตที่สกปรกเท่านั้นเองเหมือนกับเสื้อผ้าเวลาเราซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็สะอาด เสื้อผ้าก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเสื้อผ้านั้นก็ยังอยู่แต่เป็นเสื้อผ้าที่น่าใส่ต่างกับเสื้อผ้าที่ไม่ได้รับการซักได้รับการชาระเพราะจะเป็นเสื้อผ้าที่โสกปรกมีกลิ่นเหม็นไม่น่าชื่นชมยินดีใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นอยากกลัวเวลาเราทําความดีเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วแล้วเราไปถึงพระนิพพาน แล้วเราจะสูญหายไปอย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดสิ่งที่สูญหายไปนี้ก็คือความทุกข์ทั้งหลายสิ่งที่สูญหายไปก็คือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้ามองทั้งหลายต่างหากแต่จิตนี้ไม่สูญแต่เป็นจิตที่จะเป็นจิตที่มีบาลมัสุขที่เรียกว่าปาลมังสุขขังเป็นจิตที่ไม่หิวไม่อยากไม่กระหายเป็นจิตที่พอ อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความพอไม่ต้องเดินลนขนขวายไปไหนอีกต่อไปตามกับจิตของพวกเราที่ยังมีความอยากมีความโลภอยู่ทั้งๆั้งที่ในบ้านเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างบริบูรณ์แต่เราก็ยังอยู่ในบ้านของเราไม่ได้เรายังต้องออกไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกอีกและแทนที่จะไปหาความสุขสิ่งเหล่านั้นกับกายเป็นความทุกข์ขึ้นมา พราะทำให้เราหลงติดอยู่กับสิ่งต่างๆเมื่อเราเคยออกไปเที่ยวเคยออกไปเสพการแล้วเวลาเราไม่ได้ออกไปเที่ยวออกไปเสพกามเราก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเราเอาชนะความอยากนี้ได้แล้วต่อไปเราอยู่ในบ้านเฉยๆก็มีความสุขไม่เห็นจะต้องออกไปสแสวง หาอะไรภายนอกอีกเลยดังนั้นการชาระจิตใจของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเป็นหน้าที่โดยตรงของเราเลยทีเดียวถ้าถามว่าหน้าที่ของมนุษย์นั้นมีไว้เพื่ออะไรก็มีไว้เพื่อที่พัฒนาตนให้สูงขึ้นไปด้วยการชาระจิตใจให้สะอาดหมดจดและไม่มีภพไหน พบชาติอันไหนที่จะดีที่จะวิเศษเท่ากับพบชาติของมนุษย์เพราะพบชาติของมนุษย์นี้แหละจะเป็นพบชาติเดียวที่จะสามารถสะสมบุญบารมีต่างๆให้ไปให้ไปถึงจุดที่สูงสุดได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษยสมบัติก็ดีเทวะสมบัติก็ดีพรหมสมบัติก็ดีหรืออริยะสมบัติก็ดี ล้วนจะต้องเกิดจากการสะสมในภพชาติของมนุษย์เท่านั้นเพราะถ้าไปเกิดในภพชาติอื่นก็จะไม่มีโอกาสได้สะสมบุญบารมีถ้าไปเกิดในอบายก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายก็โม่แต่วุ่นวายกับการดูแลเรื่องความหิวความกระหายก็เลยไม่มีโอกาสที่จะคอยที่จะมาทำบุญทากุศลกัน ถ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมก็จะมีแต่ความสุขก็จะมัวแต่เสวยอยู่กับความสุขแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญปฏิบัติธรรมมีแต่ในโลกของมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่เราจะสามารถปฏิบัติสะสมบุญบรารมีได้อย่างเต็มที่เพราะมีเครื่องอำนวยหลายอย่างด้วยกันมีความมีคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องนำทางหนึ่งมีผู้คนที่เราจะสามารถสร้างบุญสร้างบารมีได้เพราะในโลกของมนุษย์นี้มีมีทั้งคนที่รวยและมีคนจนมีคนที่สบายและมีคนที่เดือดร้อนเป็นโอกาสที่เราจะสามารถสะสมบุญบารมีได้เพราะถ้าไม่มีคนเดือดร้อนเลยเราจะไปทำบุญกับใคร แต่ถ้ามีคนเดือดร้อนมีพระสงฆ์องค์เจ้านี่เราก็มีบุคคลที่เราจะสามารถทําบุญได้แล้วดังนั้นเราจงขอให้เรามองถึงคนที่เขาเดือดร้อนว่าเขาเป็นผู้ที่ช่วยให้เราได้ทําบุญได้ทําความดีถ้าไม่มีคนเดือดร้อนเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือใครเราก็จะไม่ได้มีโอกาสได้ทําบุญ เวลามีใครเขาเดือดร้อนมาแล้วถ้าอยู่ในวิสัยที่เราพอจะช่วยเหลือได้และความเดือดร้อนของเขานั้นเป็นความเดือดร้อนจริงๆไม่ได้เป็นการเสแสร้งหลอกลวงเพื่อที่จะหลอกเอาเงินทองของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีเราก็ควรที่จะมีความยินดีคิดแต่ว่าเป็นการเติมน้ามันรถรถของเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่เราจะไปได้ก็จะต้องมีสถานีบริการที่ขายน้ำมันเวลาเราขับรถไปถ้าเรามองเห็นว่าน้ำมันในทัถังเราเริ่มจะหมดแล้วสิ่งแรกที่เราจะคำนึงถึงก็คือสถานีบริการน้ำมันเพราะเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะต้องรีบเลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมันทันทีพบชาติของมนุษย์นี้ก็เป็นเช่นนั้น ภพชาติของมนุษย์นี้เป็นภพที่เติมน้ํามันให้กับจิตของเราเพื่อที่จิตของเราจะได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็ ค, คือการไม่มีความทุกข์การมีแต่ความสุขนั่นเองในใจของพวกเราทุกคนนี้เป็นเหมือนๆกันทุกคนไม่อยากจะทุกข์ทุกคนอยากจะมีความสุขเพียงแต่ว่าเรา ไม่รู้จักวิธีที่ถูกต้องนั่นเองชีวิตของเราจึงไม่ค่อยพ้นจากความทุกไปเลยเพราะความหลงความเห็นผิดนี่เองทำให้เราไปคว้าความทุกมาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เคยได้เล่าให้ฟังแล้วเวลาเราเกิดมาใหม่ๆเราเป็นเด็กเราก็ไม่ค่อยมีความทุกข์กับอะไรเท่าไหร่ความทุกอย่างมากก็อยู่กับการมีอาหารกินมี บ้านอยู่มีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรคเท่านั้นเองแต่พอเราโตขึ้นไปมากขึ้นกำลังของกิเลสตัณหาก็เริ่มมีมากขึ้นแทนที่เราจะหาความสุขกันเราก็เลยไปหาความทุกข์กันเช่นเรามีครอบครัวนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดจากตัณหาที่เรียกว่ากามตัณหาความอยากในกาม ความอยากนิยามนี้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่มันเป็นสิ่งที่มันแฝงเข้ามาในใจของมนุษย์เราของสัตว์ทั้งโลกทั้งหลายจึงทาให้คิดว่าการมีครอบครัวนี้เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติแต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องผิดปกติไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจคนที่อยู่คนเดียวได้นั้นมีความสุขมากกว่า คนที่จะต้องอยู่เป็นคู่กันเพราะเมื่ออยู่เป็นคู่กันแล้วย่อมจะต้องมีปัญหาต่อกันต้องคอ